ในธรรมทุกมีแต่ท่านผู้ฟังเท่ายแต่ร่มประติยานกำลังนำเสนอเรื่องกรรมสกตาสมาธิิมาถึงช่วงหมาก ร, รมวยพังกระสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการจำแนกกรรมขนาดใหญ่ออกไปเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันแต่ว่ากำลังประลบมาถึงช่วงซึ่งถือว่าเป็นนยยะที่มีความสำคัญ ได้แก่ท่าทีต่อคำพูดของคนต่างศาสนาซึ่งพูดถึงพระพุทธศาสนาและก็มีที่ไม่ยุติด้วยเหตุผลและความดีคือจะต้องพยายามชี้แจงหรืออย่างน้อยก็ปฏิเสธไปก่อนท่าทีในแนวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่พระสงฆ์เมื่อคราวที่ ถูกสุปิยะปริภาชกกับพรหมทัตตมานพฝ่ายหนึ่งตีเตียนรนรัตนตรัยคืออาจารย์นตีเตียนรนรัตนตรัยแต่พรหมทัตตมานพซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็สัรเสริญรรัตนตรัยก็มีวาทาเป็นปฏิปักษ์กันแล้วก็เดินไปข้างหลังขบวนของพระพุทธเจ้า พิสูจทั้งหลายก็ไปกราบทูให้สงทรารปูจจ ա ก็ส่งแสดงถึงหลักการหรือท่าทีที่เราพึงมีต่อคำติดเตียนแล้วก็คำยกย่องสนเสริญว่าในกรณีที่เขาติดเตียนนั้นก็อย่าโกรธแล้วก็ชี้แจงอธิบายเหตุผลแล้วก็เกิดความเข้าใจ ในกรณีเขายกย่องสรรเสริญถ้าตรงตามความจริงก็ยอมรับถ้าไม่ตรงตามความจริงหรือเกินไปนะก็อธิบายก็เกิดความเข้าใจซึ่งเราจะเห็นว่ามันก็เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายคือเราเองก็ไม่บั่นทอนคุณภาพจิตใจหมายความว่าเราไม่เพิ่มโทสะแล้วเขาก็ไม่เพิ่มโมหะ ก็ช่วยกันลดกิเลสด้วยกันเพราะการที่พระสมิทธิปฏิเสธคำกล่าวของท่านโปรลิปปิภาชกทั้งสามกรณีแต่ว่าท่านก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงให้เกิดความถูกต้องได้เพราะว่าเป็นพระบวทใหม่แต่ประเด็นที่ควรชื่นชมก็คือว่าไม่เห็นว่ามันมีลักษณะเป็นป ร, รัปรว่าหรือกล่าวกล่าวชุ่งจาปิดเบือนเรบพระพุทธศาสนาก็ ทำหน้าที่ชี้แจงทีนี้ตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเนี่ยว่าการพยากรณ์ปัญหาในแนวที่ท่านโปธทลีพูดเนี่ย mm. เช่นบุคคลทำกรรมด้วยกายด้วยวาจามีมีความจงใจทำกรรม้วยกายด้วยวาจาแล้วเนี่ยจะสวยผลอะไรคือท่านตอบ ต้องๆไปเลยว่าสวยทุกเวทนาซึ่งมันไม่จะคอยุติเป็นคำถามที่ควรจะแบ่งแยกประเด็นคือตัวเหตุคือตัวเจตนาตัวกรรมว่ามันเป็นกุศลหรือกุศลแล้วจึงจะแยกตอกไปตามสมควรแก่กันดีเพราะดีพระอุทายีเนี่ยอุทายีองค์นี้ต้องเรียกว่าโลลุทายีหรือทะเถอะ ท่านก็มัวมัว อ, อยู่อยู่เรื่อยเจอท่านมั่มัวอยู่บ่อยท่านก็ไปกลับทูลในทนองแย้งนะว่าก็ถ้าท่านรสมินที่กล่าวหมายทุกดังนี้แล้วแล้วว่าการเสวยอารมณ์ใดๆก็ต้องจัดกันในทุกทั้งนั้นอันนี้มันก็ผิดอีกแหละคือเราเห็นว่ามันมีทุกข์มีสุขแล้วก็มีไม่ทุกข์ไม่สุขจะถือว่าเป็นทุกทั้งนั้นมันก็ไม่ได้ เพราะเป็นการพูดระดับของเขาเรียกว่าภาษาโลเกียธรรมไม่ใช่พูดถึงปรมัตธรรมแต่พูดถึงปรมัตธรรมมันก็ไม่ได้อีกอะยังมีความบกพร่องอยู่พะท่านอุทัยีกล่าวอย่างนั้นอูเจ้าก็ตาหนินะบอกว่าให้ดูความนอกรูนอกทางของอุทัยี รูแ ล, แล้วว่าเดี๋ยวนี้โมคะบรรุทายีนี่พรงขึ้นเป็นการพรงนะฮะทรงตำหนิว่าเป็นพร่งขึ้นโดยไม่ยยกไข่แล้วก็ทรงแสดงว่าปริพายโชคปัวตลิเนถามถึงเวทนาสามถ้าสมิธิถูกถามก็พึงพยากรณ์อย่างนี้ว่าถ้าบุคคลทำกรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจแล้วด้วยกายด้ว ย, จวยใจ อันให้ผลเป็นสุขเขาก็ย่ำสมสวยสุข ถ, ถ้าการาการมสักรรมด้วยกายวิญาใจที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เขาก็ย่ำสมบวยทุกข์หรือว่าถ้าทาํากรรมชนิดที่ประกอบด้วยความจงใจปรยกายยุดด้วยวาจาด้วยใจอันให้ผลไม่ทุกข์ไม่สุขเขาก็ทเวอยผลเป็นทุกขกม่สุขกับเวทนาก็าแสดงเวทนามันมีสาม แต่การที่พูดเวทนามีสามก็ต้องดูในยะของคําถามเขานะฮะว่าเขาหมายถึงอะไรเพราอไรเพระเวทนามันอีกอยู่เยอะเวทนาหนึ่งก็มีสองก็มีสามก็มีห้าก็มีหกก็มีนะฮะเวทนาเก้าก็มีเวทนาสิบแปดก็มีสามสิสองก็มีร้อยแปดก็มีก็นับไปได้เรื่อยๆแต่ก็ต้องมองที่คําถามเพราะคำถามนั้นต้องชัดเจนถ้าคําถามไม่ชัดเจนเราต้องถามกลับไป ด้วยเกิดการแสดงความข้องใจความสงสัยชัดเจนและเราก็สามารถจะตอบได้ทีนี้เมื่อพระสมิทธิเนี่ยพยากรณ์อย่างนั้นชื่อว่าพยากร์โดยชอบแก่ปริพาชโชคปรตาลิแต่ว่าพวกปริพาโชคผู้ถือรัที่อื่นเป็นคนง่อไม่ฉลาด ใครเล่าจะเข้าใจในกรรมไม่มหากรรมวยพังก็อย่าลืมว่าคือในบางกคนีเนี่ยแม้แต่ตอบไปอย่างนั้นเนี่ยคนบางพวกมันก็มีปัญหามีปัญหาพวิทิชเชอะไรเล่เทในประเทศอินเดียเนี่ยมันมีสมัยนั้นตั้งเยอะเลยนะหกสิบสองรับชีดด้ยกันมันมันก็กลายเป็นจังหวะ ที่ทําให้พรานลเทละขาวกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงจําแนกแสดงมหากำมุอพันธ์เพื่อให้ภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อไปพุทเจ้าก็รับสั่งให้ตั้งใจฟังนะเพราะว่าเรื่องนี้ที่จริงมันเป็นเรื่องค่อนข้างสลับซับซ้อนในกระบวนการของกรรมในชั้นแรกก็ทรงจําแนกถึงบุคคลบางคนที่ มักทําชีวิตสาลตกลงไปเป็นต้นนะฮะหมายความว่าพวกที่อยู่ในอกุศลกระบทศิปการนะฮะจับจประเด็นอกุศลกระบทศิปการให้ได้นะข้าศัตร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดเจ๊ดพูดคำหยาพูดสอดเสียดพูดเลวไหลโลภอยากได้ของคนอื่นพยาบาทฟ้องร้ายบุคคลอื่นเห็นผิดจกักตำหน่งคองทำก็อยู่ในโลกเนี้เขาตายไปแล้วย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกก็มี ทีนี้ไอการาการประกอบมีเนี่ยฮะตอนที่แน่นอนการที่เขาเกิดในทุกติบินิบาตในโลกสุรกานั้นเป็นผลมาจากอากุศลแต่ถ้าไปศึกษารายละเอียดอากุศลไหนล่ะเราก็ต้องกลับไปที่กรรมกรรมสามประเภทอย่างที่ว่าเพราะว่าในชีวิตปัจจุบันของเราเนี่ยมันมีอดีตกรรมอยู่สองช่วงใหญ่ๆ ช่วงที่เราเรียกว่าอัปปะละปะระเวทนียกรรมหมายความสมมติเราย้อนอดีตไ ป, นะปเนี่ยไปจะสามสี่ชาติหนึ่งก็กรรมในชาติก่อนนั้นเขาเรียกว่าเป็นอุป ป, ปัชชะเวทนียกรรมสมรับชาตินี้ทีนี้กรรมในชาติที่ทลายหลาที่สองสามสี่ห้าอะไรเท่าไรก็ตามนะฮะก็ถือว่าเป็นอัปปะละปะระเวทไนยกรรมสมรับชาตินี้แต่ในขณะเดียวกันเราเกิดในชาตินี้เราก็ทําทกรรมในชาตินี้อยู่ด้วย สรุปว่ากรรมที่อาจจะให้ผลเรามัน ก, ก็มีอยู่สามกลุ่มใหญ่ๆแล้วไม่รู้กรรมอะไรให้ผลแต่ที่แน่นอนคือยุตินี่ที่ลงตัวแน่นอนก็คือว่าอกุศลให้ผลเป็นทุกข์กุศลให้ผลเป็นสุขแต่ถามอกุศลไหนกุศลไหนนะการเชื่อมโยงเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ง่ายะนะการเชื่อมโยงไม่ใช่ง่ายสมมติว่าเราเราฆ่าคนตายแล้วต่อมาก็เราถูกฆ่าตาย การที่เราถูกฆ่าตายนั้นเป็นผลจากเราฆ่าคนคนนั้นในคราวนั้นหรือเปล่าหรือฆ่าคนอื่นในสมัยอื่นแต่ตรงเนี้การจะเชื่อมอย่างเนี้ยมันไม่ใช่ลงตัวไปทุกกรณีแต่ว่าถ้าถามว่าการที่ถูกฆ่าเนี่ยสืบเนื่องมาจากการฆ่าคนอื่นใช่ไหมก็ใช่แต่ใช่เมื่อไหร่เนี่ยไม่รู้อันนี้ก็ก็แสดงว่าเป็นการพูดในลักษณะลงตัวว่า คนที่ประกอบอคุศสนเนี่ยชีวิตหลังตายก็คือตกนรกทุกติบินิบาตนร ก, กสุรกายซึ่งก็แนวเดียวกับที่ทรงแสดงในจุลก ร, รมาวิปัสสูตรปรกฏของกรรมมันเป็นกฎธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องแสดงทีนี้บุคคลบางคนในโลกเนี่ยเราพูดผิดอย่างนั้นเหมือนกันก็ตายแล้วไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ก็มีเลยทีนี้ยุ่งเลย เห็นไหมเนี่ยคือประเด็นที่ทาให้คนสับสนในกระบวนการของกรรมเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ความสลับซับซ้อนของกรรมเนี่ยเราเราแยกไม่ออกสมมติว่านายกอทําความดีอยู่ในชาติปัจจุบันก็เห็นเน่นกันอยู่นะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่านายกตายไปตกนรกเอ๊ะทำไมคนทาดีตกนรกละ่ะเราก็พูดแบบแตัดตอนว่าเอาเฉพาะชาตินี้แต่ชีวิตมันไม่ได้มีเฉพาะชาตินี้นั่นนี่ชาติอื่นอยู่ด้วย อย่างยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีคนบางคนนะที่ทำดีมาเยอะเลยแล้วไปเสียจังหวะ ก, ก่อนจะดับจิตเนี่ยมันเกิดเป็นเดียวเอาเอากรรมเล็กๆแต่ว่าเป็นบาปเต็มอาสัญกรรมคือกรรมเมื่อจวนจะตายท่านก็ไปบังเกิดในทุ ก, กติหรือยะสั้นๆนะแต่ว่าเกิดในทุ ก, กติเพราะฉะนในช่วงนั้น มีใครมาถามแล้วพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้นี้ตายแล้วไปบังเกิดที่ไหนพุทเจ้าก็ต้องแสดงทำความจริงในขณะนั้นก็แสดงบังเกิดในทุ ก, กติก็เกิดทุ ก, กติก็มีปัญหาทันทีว่าเอ๊ะคนทำความดีขนาดนี้ตายแล้วไปตกนรกแล้วเราแหละไม่ตกนรกมากกว่านั้นเนีลยจะเลิกทําความดีเลยนั้นบางครั้งพระพุทธเจ้าจึงทรงใช้วิธีการที่แม่เ้าถามในช่วงนั้น แล้วก็รอให้เขาหมดแรงอกุศลเล็กน้อยเหล่านั้นที่ก่อนพอไปบังเกิดในสุคติด้วยกุศลละกรรมของเขาก็เมื่อเขาถามก็ตอบไปตามความจริงคนก็เกิดชื่นชมอนุโมทนาในตรงนี้ทีนี้คนบางคนที่เป็นเว้นจากากุศลกรรมบดก็คือมาอยู่ในกุศลกรรมบดเนี่ยแล้วก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนั่นง ประเ่อแรกดูแล้วคล้ายๆจะตรงตัวที่หมายความว่าตายไปแล้วเนี่ยบังเกิดในในสุคติโลกสวรรค์วันในชาติปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในกุศลกรรมบทรกดเว้นจากการฆ่าสัตว์อ่าฆ่าสัตว์กดเว้นจากการลักทรัพย์ลักทรัพย์กดเว้นจากการดูสิ่งของที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้กดเว้นจากการ ประพฤติในทางกามก็เว้จนจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดสอเสียดเว้นในการพูดคําหยาบเว้นในการพูดเพื่อเชิดเรีวไหลเว้นไม่พยาบาทบองไรบุคคลอื่นไม่โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่พยาบามบองไรใครเห็นชอบตามทํานองครองธรรมตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติก็มีนะฮะเพิ่งสังเกตว่าทรงใช้กับมาก็มีทุกข้อเนี่ยจะทรงใช้กับมาก็มีทั้งนั้น ทำไมล่ะที่ไม่อย่างนั้นก็มีด้วยหมายความที่ไม่อย่างนั้นก็มีด้วยประเด็นตรงนี้ถ้าเรามองเฉพาะประเด็นเดียวนะเฉพาะเราลองมองประเด็นที่หนึ่งกับประเด็นที่สมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ตรงตัวเรียกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีทำชั่วได้ชั่วดีทดีได้ดีนะฮะเบียงเบียงอย่างนี้เรียวทําชั่วดีชั่วทําดีได้ดีแต่พอมาเรามองประเด็นที่สามแบบที่สองและที่สี่เราจะเห็นว่าเอ๊ะมันชัดจะยังไงอยู่ แนวความคิดแต่ว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปะอะไรอะต่างๆมันก็จะเกิดตามมาเลยเพราะอะไรเพราะว่ามันเราไปตัดสินโดยปัจจุบันตัดสินจากสิ่งที่สัมผัสแต่เราไม่มียานอย่างรู้ย้อนไปสู่อดีตเพราะการที่มันเกิดมันเกิดเปลี่ยนแปลงหรือแม้แต่เนี้ยที่ตรงตัวอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่านายกป ร, ระพฤติ กรรมหลักของอกุศลกับบทสิประการคือทาชั่วพวุ่งแง่มาทำชั่วเนี่ยแล้ก็ตายไปแล้วไปเกิดในตกในรกจะถามมณรรกเพราะอากุศลกรรมไหนแต่ตัวอกุศลกรรมนั้นมันแน่นอนเพียงแต่วอากุศลกรรมไหนล่ะมันอาจจะเป็นอกุศลกรรมในชาติชาติปัจจุบันเนี่ยหรืออาจจะเป็นอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นก่อนดับจิตหรืออาจจะเป็นอกุศลกรรมที่ตามมาจากอดีตแล้วมาทําหน้าที่เป็นชนกกรรม เพราะในชนนกกรกรมเลยมาถึงสามกลุ่มใหญ่มาจากกลุ่มกรรมที่ให้ผลในภพชาติต่ อ, ตอไปกับให้ผลในชาติต่อไปหรืออาจจะแยกเป็นสี่นะอาจจะแยกเป็นสี่กลุ่มเอาในปัจจุบันในสองกลุ่มปัจจุบันขณะก่อนจะดับจิตปัจจุบันที่เป็นอดีตใกล้เกิดดิตอดี ต, ดตแต่ว่าในชาติเนี้ยแล้วก็อดีตไกลแล้วอดีตไกลไกลยิ่งๆออกไป เพราะน้ำกำหรอกน้ำตามมาทานมาให้ผลซึ่งมันก็เป็นอกุศลพวกเดียวกันแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาในลักษณะเดียวกันแต่ถ้าเราโยงนี่ว่าเป็นผลอะไรมันก็ไม่แน่เสมอไปนะว่าจะเป็นผลของอากุศแลแกรรมในชาติปัจจุบันทีนี้คนที่ทําอากุศลแล้วก็ตายบังเกิดในสุคติมันก็เหมือนกันคืออากุศลเนี่ยนําไปสู่สุคติแล้วแน่นอนแต่อากุศลไหนล่ะ กุศลที่มีฐานะเป็นอัปปาปะระเวทนยกรรมในฐานะที่เป็นอุปราเวทเนยกรรมในฐานะที่เป็นทิฏฐธรรมเว ท, วทนยกรรมหรือในฐานะที่เป็นอาสนกรรมคือกรรมเมื่อชวนจะดับมันทําช่วอย่างจริงอะแต่วันมันเป็นนึกถึงเหนี่ยวนึกถึงกุศลอะไรขึ้นมาสักอย่างได้และประคองจิตรักษากจิตอยู่ในกุศลเหล่านั้นแล้วก็ดับไปด้วยจิตที่เป็ น, นกุศลก็เกิดเป็นเกิดในสุคติ มาอย่างที่เคยเล่าสุนัขที่เห่าหอนส่งพระปฏิเเยกับพุทธเจ้าแล้วบังเกิดในสุกติ 9, 9ก้าวก้ากระโจนนะฮะจากหมาเป็นเดวดาเลยทีนี้พอมาถึงประเด็นที่สามเนี่ยก็มีลักษณะอย่างเดียวกันว่าแน่นอนที่ท่านไปบังเกิดในสุกตินั้นเป็นผลของกุศลซึ่งสรุปแล้วก็คือกุศลกับบุตรแต่กุศลกับบุไหนล่ะ ชาติก่อนอนดีตการนานไกลก็ได้อดีตชาติที่แล้วก็ได้ชาติปัจจุบันก็ได้หรือว่ากุศลกรรมที่เกิดขึ้นขณะจะดับจิตก็ได้เห็นไหมยังมีอีกสี่อย่างทีนี้คนที่เจริญกุศลกรรมบุตรประการเนี่ยและตายแล้วก็ไปบังเกิดในทุกติทุกติวิิบัตในโนะลกสุรกายเหมือนกันนะก็มีนะสนใจ ก, ก็มันก็มี ที่นี้ถามว่าการที่กะบังเกิดในทุกตินั้นมันต้องเป็นผลของอกุศลแต่ว่าชาติปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นเห็นเนี่ยก็ทำกุศล น, นี่นะเขาดำรงตนอยู่ในกุศลกับบทเรืงสิบประการเนี่ยเอ๊ะคนทำดีทำไมตกนรกล่ะเดี๋ยวมันจะเกิดสับสนได้ตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาในการไม่ศึกษาในมหากรไมพันธสุ พอเราเข้าใจแล้วเราเห็นว่าเออไอ น, นี้ก็คือผลของกุศลกรรมแต่กุศลกรรมไหนล่ะนะก็ในชาติก่อนๆชาติก่อนชาติปัจจุบันหรือจิตมันเกิดขึ้นก่อนดับแล้วก็นําไปสู่ทุกขติแต่ถามว่ากุศลกรรมละ่ะกุศลกรรมก็ยบยอดไปให้ผลในชาติต่ อ, อไป ถ่าในกรณีนี้เราเห็นว่ า, ากุศล ก, กรรมมันก็ออกไปอยู่ในกรรมประเภทเบียนหรือกรรมประเภทฆ่าค้าผลของอกุศล ก, กรรมก็กลับมาที่หลักนำสิบสองมันก็โยกกันไปโยกันมาอย่างนี้ทีนี้ในในกรณีการวิเคราะห์วินิจฉัยเรื่องเหล่านี้ที่กลายเป็นทิฏฐิคือกลายเป็นความเห็นในเรื่องที่ถกเถียงกันยุ่งที่สุดเนี่ย คือเรื่องกรรมกระสังสารวัตนั้นจะเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากแล้วบางครั้งบางคราวมันเกิดแนวดิ่งในกระแสของกรรมที่เรียกว่าเป็นนิยตามิชาทิฏฐิซึ่งก็มีตัวหลักอยู่สามข้อนะฮะอกิริยทิฐิหรือการกระทำไม่เป็นการกระทำถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุ แล้วปฏิเสธไม่มีหมดแนวที่ทรงแสดงในแก่ชาวบ้านมหาศาลานะเป็นไิ่ชาทิฏฐิสิบประการการให่งทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการกระทาทั้งดีทั้งชั่วของคนไม่มีผล สัติท์ทีตาแล้วเกิดไม่มีท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้ตามนั้นไม่มีอันนี้คุนักติการทิฏฐิท่านนี้เป็นเพราะอะไรคือมันอาจจะคาดเดาเอาหรืออาจจะเป็นความรู้จํากัดเช่นสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาเขาอาจจะบําเพ็ญเพียรทางจิตแล้วก็บรรลุขนาดเจโตสมาธิเนี่ย เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ไปเลงเห็นคนนั้นคนนี้คนโน้นนะฮะท่านก็เชื่อมโยงจากที่ท่านสัมผัสในชาติก่อนของคนนั้นแล้วก็เห็นท่านผู้นั้นแหละไปเกิดในที่ที่ใดที่หนึ่งน ะ, ะสมมติว่าอยู่ในประภิ็งแรกคนประกอบเบอร์กุศลกรัมบดท่านรู้จักอยู่แล้ะพอตายแล้วเป็นไปเกิดหนกไปไปเกิดในทุ ก, กติวินิบาตในโะลกสุรกาย ทีนี้ท่านก็อาจจะยึดถือยึดถือว่าคนทุกคนที่ทําอกุศลกรรมบดในชาติเนี้ตายไปแล้วตกนรกด้วยกันอันนี้ยุ่งแหละทีนี้ยุ่งเพราะอะไรเพราะว่ากรรมอีกสองอย่างเนี่ยกรรมอีกสามอย่างเนี่ยเราปฏิเสธเขาเรารู้ได้อย่างไงว่ากันเป็นรายรายเนี่ยได้แต่ว่าคลุมอย่างนั้นไม่ได้เพราเราไม่สามารถจําแนกรายละเอียดได้ว่าก้อนดับจิตนี่จิตก็เป็นยังไงทีนี้ แนวะเนี่ยมันก็เกิดหรือแม้แต่แนวแนวคิดเรื่องพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเราเห็นว่าที่จริงมันเกิดจากความรู้ที่จำกัดของท่านผู้หนึ่งซึ่งเคยเป็นพรหมมาแล้วก็อยู่ในพรหมโลกแล้วก็ถูกพรหมครอบนาดังความคิดว่าท่านเนี่ยมันเกิดมาจากการคิดของของท้ามาพรหมท่านเท้าหมาพรหมก็เป็นผู้สร้างเป็นผู้รังสรรก์ ข, ขึ้นมา แล้ต่อมาถ้านคนนี้ก็ตายไปก็ความโน้มเอียงทางจิตมันก็ยังมีอยู่ก็ไปเจริญสมาธิได้บรรลุฌานอีกลึกชาติได้หนึ่งชาติลึกโครงเดียวนะั้นชนเป็นพรหมเลยเราเป็นใครเรามาจากไหนเอาเราเป็นพรหมเรามาจากพรหมเราจะไปไหนก็ไปสู่พรหมตกล ง, งมาโลกเหรือเทียงเลยนะแล้วก็พรหมาก็กลายเป็นที่หมาของสรรพสิ่งนั่นคือความรู้จํากัดท่านผู้ฟังที่ท่านเห็นแต่ว่าควนความเห็นที่ไม่ถูกต้อง พรถ้าท่านมองทะลุไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างว่าพรมบางปนนะฮะเช่นพระ ก, กาพรมเดี๋พระเจ้าเสด็จไปทรมานเนี่ยกระดัดสันดาลนะฮะจริงๆท่านเกิดเป็นพรมซ้อนๆกันยี่สิบเจ็ดชั้นยี่บเจ็ดชาติโอ้มันนับเวลาไม่ไหวไม่ไหวท่านก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมาจากพรมแล้วกลับคืนสู่พรมชีวิตก็เป็นของเที่ยงการเป็นแนวสรัทธาที่จิตด้วยความเห็นมั่นเชื่อ พระเจ้าก็ต้องไปทรมานไปให้เห็นเรื่องความจริงที่ลึกขึ้นไปยิ่งกว่า น, นั้นเพราะฉปัญหาเหล่านี้ในการต่อมาเนี่ยก็ทรง น, นําระยะต่างๆเนี่ยมาจําแนกแสดงสแสดงก็เป็นสี่กลุ่มอย่างที่ว่านะขยายยาสี่กลุ่มเหล่านั้นเพราะทำไมจึงเกิดแนวความคิดเต็มมันเกิดสับสนกันแล้วก็บางอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุมัตินะฮะเกิดมากความเป็นความถูกต้องระดับหนึ่ง แต่บางอย่างก็ก็ไม่อนุโนมัติก็เลยเพราะว่ามันเป็นการนึกดองเอาบ้างนะการคัดกันเออบ้างหรือความรู้ที่จํากัดบ้างก็ทํานองกกกระปลาอย่างที่เคยเล่าฟังอย่างนิทานเนี่ยก็าเล่ารังโกกระปลาเนี่ยประสบการณ์มันไม่เท่ากันถึงบางจุดเนี่ยเราจะพูดกับไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปลามันผิดคือปลาแกรู้เท่านั้นเนี่ยนะแกรู้เท่านั้นเพราะงั้นอะไรแกรไม่รู้แกก็ปฏิเสธ